จากธรรมวัจจบเราก็ไป ร, รบธรรมสู่กันปองเพื่อให้เป็นส่วนประกอบทาการศึกษาปฏิบัติโดยเฉพาะที่นี่ที่เป็นหลักของพวกเราคือปฏิบัติธรรมเป็นงานหลักของพวกเราจะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติก็ได้แต่มาที่นี้ก็มีอย่างเดียวเท่านี้คือปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเรียกก็คือการมาทําความดี ขณะที่ทำความดีมันก็ละความชั่วแล้วสิ่งที่เราทำนี้มันก็ทำได้จริงๆไม่มีอะไรขวางกั้นเราได้การทำความดีการละความชั่วก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราได้ผลจะออกว่าจะตกว่าจะล่องแต่จะออกจะเป็นจะตายอย่างไรก็ตามการละความชั่วการทำความดีเป็นสิทธิของเราที่โดยตรงไม่มีสิ่งไหนมาขวางกั้นมาหักมาห้ามเราได้นี่ก็คือชีวิตของเราตามความเป็นจริง หรือถ้าการทําความดีการเลาความชั่วไม่จบไม่สิ้นมีอะไรที่ต้องทําความดีตลอดไปงานที่เราจะต้องทําความดีนี่เยอะแยะไปหมดเลยทําความดีกับตัวเองทําความดีกับคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นทําความดีกับต้นไม้ทําความดีกับน้ําทําความดีกับดินทําความดีกับอากาศกับมวดพลังอะไรก็ได้การทําความดีี่กว้างใหญ่ไพศาล แต่มันไม่พอถ้าเราทําคนเดียวต้องไปบอกคนอื่นให้เขาทําความดีให้เขาเรากความชั่วให้มีเกิดขึ้นในโลกมากๆอย่างที่พวกเราอยู่นี่ก็ทําความดีเช่นการปลูกป่าการปลูกป่าเราก็ปุ๊กอยู่นั่นแหละเราก็ได้เล็กๆน้อยๆเพราะคนไม่มีผู้ร่วมทําความดีมีน้อยคนที่ทําความชั่วก็มีมากจนคิดว่าเออเรารักษาป่าเนี่คงจะเหลือต้นสุดท้าย การักษาสัตว์ก็เหลือตัวสุดท้ายในปี 2,533 แต่อยาังมีหมูยังมีเชียงอยู่แต่วข็หมดไปแล้วแต่ถ้าเรามาร่วมกันช่วยกันคงจะไม่เหลือตนสุดท้ายให้เราเห็นคงจะหลายอีกหลายปีต่อไปอย่างปีที่ผ่านมาก็มีคุณกวีได้มาปลูกป่า ช่วยพวกเราช่วยพวกเราหลายหลายไล่ตั้งแรงกายแรงทรัพย์แรงสติปัญญาคิดอ่านช่วยกันก็เกิดเป็นป่าเกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมานี่ก็คือคนที่มาร่วมกันทำความดีามาสร้างวัดสร้างวาสร้างโน้นสร้างนี้ พอได้มีที่อยู่อาศัยก็เกิดความสะดวกแต่เราทำความดีเรื่องนี้ไม่สำเร็จเราก็มีมือห้านิ้วสิบนิ้วก็มีไม่มากช่วงสามปีสี่ปีมานี้ก็มีเพื่อนกันระยานนมิตรร่วมกันช่วยกันมียติมีโยมมีผู้มีคนมาร่วมกันทาความดีเป็นเรื่องที่ทำได้เด็ดขาดจริงๆการทำความดีเยอะแยะไปหมดเลย แม้ทำอะไรไม่ได้ก็ทําในใจกันน่หลวงพ่อก็ไปนั่งเทศให้พ่อใจหนูฝังคนป่วยพ่อหนูมีโอกาสทําความดีเยอะแยะนอนตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนดึกตื่นเที่ยงคืนก็อย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตให้อยู่กับเนือ้อกับตัวต่อชิดก็ชิดแผ่เมตตา หวงใหญ่ไพศาลทำใจเย็นเย็นทำใจดีๆเป็นพระโพธิสัตว์นอนอยู่กับเสือ่อกับมอนนี่เป็นพโพ ธ, ธิสัตว์ด้วยกิจวิญญาณนี่มันก็เป็นไปได้อ่าอยู่ไม่เป็นเราก็อาจจะเป็นอะไรไปก็ได้การทําความดีนอนอยู่กับเสื่อกับมอนก็ทําได้คิดเสียงใดประกอบด้วยเมตตาทำเสียงใดประกอบด้วยเมตตาพูดเสียงใดประกอบด้วยเมตตา อย่าให้ขาดให้แคลนการทำวามเลยเยอะๆเปหมดเลยตลอดทำความดีแล้วก็ยังมีที่เราจะต้องทำกันต่อหน้าต่อตาก็คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ได้คือมาสอนผู้สอนคนสอนคนที่มีไอมีใจนี่แหละตรงนี้เป็นจุดเป็นจุดที่จะต้องสร้างให้เกิดให้มาขึ้นให้ได้ เพียนกันตรงนี้พวกเราตรงมีความเพียนกันตรงนี้ให้มากๆเพียนกันตรงนี้ให้มากๆากจนพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทำบุญกับกาให้อาหารกาก็มีบุญได้น้อยทำว่าให้อาหารคนให้อาหารมนุษย์ให้อาหารปุุ้ชนให้อาหารกัญยาณชนให้อาหารพระสงฆ์ให้อาหารพระพุทธเจ้ามันก็ต่างกันไป การทำบุญกับพระเจา้พจาพระเจ้าจะได้มีชีวิตไปช่วยคนเราจะดีกว่าไปกว่าการไปทําความดีกับคนผ่านมันก็มีชีวิตเพื่อป้นเพื่อกี้คนอื่นทําความดีกับต้นไม้ต้นไม้ก็ยังให้ประโยชน์ออกอากาศเป็นปอดของโลกทําความดีกับดินดกับน้าําก็จะเกิดเห็ดเกิดพืชอาหารเป็นแหล่งอาหารทําความดีกับน้านําน้ําก็จะ ไม่เกิดโรคใคยใครเจ็บดื่มได้อาบได้ทำความดีกับอากาศคนก็จะได้หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์อะไรๆะไรเราก็คือคนนี่แหละคนนี่มันปฏิเสธที่เราไี่ไปได้ต้องอยู่กับดินกับน้ากับอากาศอยู่กับอาหารการกินถ้าหากว่าคนเรานี่เป็นคนที่ทำความชั่วได้เด็ดขาดทำความดีได้เด็ดขาดเราจะเกิดความดีขึ้นไปอีก เรียกว่าสร้างกัะยาณมิตรขึ้นมาให้มากๆากกัะยาณมิตรทุกวันไม่ค่อยมากยังมีการดีลีของขวางกันอยู่โดยเฉพาะพวกเราโดยตรงคือพวกที่เป็นนักบวชอยู่วัดว่าอารามโดยตรงศิกษาและทำเป็นเครื่องเรื่องชีวิตของเราแล้วการศึกษาและทำเป็นเครื่องเรื่องชีวิตก็ทำได้จริงๆริงศึกาก็คือศีลสมาธิปัญญา เราเลี้ยงคีวิตด้วยสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วก็คีวิตอดืนก็บินทับาทเราก็ทำได้แล้วก็ทำได้ไดยังพออยู่ได้อย่างวันนี้ก็มีคนที่ไม่ศรัทธาเอาของมอให้เป็นลดุดโอ้โหนะก็บอกว่านี่อาหารที่โยมนามานี่เป็นวัตถุสิ่งของแปลสภาพเป็นบุญ แปลสภาพไปเป็นเลือดเป็นเนื้อแปลสภาพไปเป็นกําลังมังชาแปลสภาพไปเป็นสติปัญญาแปลสภาพไปเป็นพุทธศาสนาแปลสภาพไปเป็นมรรคเป็นผลที่สุดเลยแล้วก็ยังมีไม่ขาดไม่แคลนเราจะว่าแล้วไม่ลําบากเหมือนสมัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราไปเป็นถั่วาดลงเลี่ยงมา่าข้าวต้มโพนกากก็เคี่ยวไปทั้งกากทั้งอะไรลําบากขัวพวกเรา พวกเราก็มีความสะดวกในการทําความดีอย่าไปคิดว่าอะไรมาขวางกั้นเราแม้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตา ม, มการทําความดีนี่อุ้ยเป็นสิ่งที่กระตือรื้นเยอะเลยๆจะเลืนสติทําอะไรก็รู้ได้ในกายของเราในใจของเราเอามาเป็นเครื่องมือผิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นยอด ที่เกิดของความดีทั้งหลายแล้วก็ไม่มากไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้จริงๆจะเป็นคนหนุ่มคนแก่อะไรก็ทําได้เป็นนักปวดเป็นครวญญาติโยมเพศไว้ลัทธิใดไม่เกีย่ยวอเจริญสตีนี้เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆพอรูปมันก็ไม่พอหลงเมื่อรูปความหลงก็หมดไปจริงๆนี่แหละคือปฏิบัติได้ให้ผลได้ เราไม่ต้องไปทําอะไรโยกับเราแน่นอนการเลาะความชั่วการทำำําความดีให้มั่นใจอย่างนี้ที่เรามีชีวิตเนี่ยถ้าเรามีชีวิตมั่นมั่นใจตรงนี้แล้วโอ้ยไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องมั่นใจความชั่วจะเกิดขึ้นละได้เด็ดขาดละได้จริงจริงทําอะไรไม่ได้กนละทางใจพูดไม่ได้ขณะนั่นก็ทําใจ ทำไม่ได้ขณะนั่นก็ทําใจการทําความดีนะี่ไม่จนกรอกก็ว่าได้โดยเฉพาะพวกเราก็โดยตรงฉลาญสติมีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็วิวัฒนาไปวิวัฒนาไ ป, าไปมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวธรรมดาที่สุดก็คือความรู้สึกตัวเป็นมรรคเป็นผล เรามาจับการจับงานตรงนี้กันจับการจับงานตรงนี้กันถ้าพอที่จะช่วยคนอื่นเราก็ช่วยกันไปจางพระนวะกะบวชไปไปไม่ได้ถึงเดือนถึงอะไรไปช่วยอบรมส อ, สอนอยวชนนักศึกษาคนหนุ่มคนสาวอู้นี่มันก็ทำได้มันก็ทำได้เก่ง ไปรอว่าโอ้ได้บรรลุทำเป็นพระอรหันต์แล้วจึงจะไปช่วยคนไม่ใช่เห็นไหมพระอนุ์ไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เลยช่วยคนเยอะแ ย, ยะมากมายข่ายของเป็นพุทธอุปถาดยอดเยี่ยมเป็นที่ปรึกษาของคณะสงฆ์ต้องถามอานุนพระเจ้าเทศเรื่องนั่นที่ไหนเทศเรื่องอะไร ถามพระนนท์เป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรไม่ได้บรรลุธรรมเลยพระนน์ไม่ได้เป็นพระหรันพระพุทธเจ้าปฏิเนพานไปแล้วจึงมาทําความเพียรได้บรรลุเป็นพระหันพราอทำสังขยาขั้งที่หนึ่งสังขางนาขั้งทิศหนังพระเจ้าปฏิเนพานไปได้จีวันนะจีเดือนนะจะไม่ได้น้องประมาณสามเดือนเลยเกตเดือนนี่แหละ ผลินิพณา์ไปได้เจ็ดวันมีคนเก่าตู่พวกสุภะปริภาชกทั้งหลายผู้ไม่มียางอาย ก, ก่อนทำสังคยนาเน่พระอนุนยังเป็นปุถุชนพระมหากัศปะเป็นประธานแต่ว่าต้องเลือกไปเป็นพระหันท้งนั่นเป็นพระขีนาสกอนุนไม่เป็นพระขีนาสกขาดไม่ได้ พอเป็นพระอสูตรก็รต้องให้อานนท์ปฏิบัติธรรมเราอานนท์ให้ปฏิบัติธรรมอานนท์ก็ลงมือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมลงมือปฏิบัติธรรมก็มั่นใจอานนท์ก็มั่นใจการทําความดีได้เรียนได้รู้ได้จําเป็นพระสูตรบอเอามาปฏิบัติช่วยตัวเองช่วยตัวเองหนึ่งวันหนึ่งคืนเพราะสงทั้งหลายเป็นไงอานนท์ เดี๋ยวใกล้จะได้พัลรูทําลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวรออีกรออีกเสี้ยน้อยรออีกเสี้ยน้อยคือคมั่นใจอ่านสร้างสติลู่ไปลู่ไปลู่ไปลู่ไปลู่ไปลู่ไปลไปก็เกิดศิ้นเกิดสมาธิปัญญาศิ้นก็กําจัดกิเลสสมาธิก็กําจัดกิเลสปัญญาก็กําจัดกิเลสหมดไปแห้งไปน้อยไปอ่อนไปเห็นเกิดแสเห็นเกิดแสไม่หลับไม่นอนเลย พอมาเห็นกรดแสมั่นใจมั่นใจจนถึงแสงเงินแสงทองขึ้นก็เลยเออมันจะสว่างแล้วขอเอ็นสักหน่อยเราลุกขึ้นเอาอีกไม่ใช่แพ้การวางความเพียรเพื่อ น, นอนไม่ใช่เค่แพหัวยังไม่ถึงหมอนได้บรรลุธรรมเลยไม่ได้อยู่ในริบดนั่งไม่ได้อยู่ในริบดนอนเอน็นตัวลงไปได้บรรลุธรรม เพราะนั่นก็มั่นใจเธอพวกเรามันมีสูตรมันเป็นสูตรอย่างนี้จริงๆริงกายใจของเราไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องลังเลสงสัยเรื่องนี้การเจริญสติไม่มีคําถามยกมาขึ้นมาก็รู้นะไม่สงสัยเลยไปสงสัยอะเพราะวันรู้หรือมันก็ไม่หลงทันทีรู้เป็นปัจจุบันด้วยในงานที่เราทําการงานที่เราทํา เราก็เริ่มต้นจุดนี้คนเริ่มต้นตรงนี้คนปฏิบัติบัตรก็ปฏิบัติตรองนี้ปฏิบัติก็คือเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนมันหลงตรงนี้ก็เปลี่ยนให้มันรู้ตรงนี้มันหลงเท่กายก็เปลี่ยนกายให้มันรู้มันหลงทท่ใจก็เปลี่ยนใจให้มันรู้มันเปลี่ยนได้ความรู้ความหลงเปลี่ยนได้ทันทีเป็นปัจจุบันเป็นปัจจันตั้งเอาไปบอกคนอื่นก็ไม่ต้องกลัวเรื่องไหนบอกได้เลย อย่าปิดเอาไว้ไปบอกแม้บรรยายนรู้รมก็ไปบอกได้เหมือนเรามีหอข้าวเราไม่กินเอาไปให้คนอื่นกินเขาก็อิม่มเรามีหอข้าวเรามีความรู้เรามีหลักการเขาอิม่มเราไม่อิ่มก็ไม่เป็นไรแต่ให้คนอื่นอิ่มก่อนเราก็ดีพราัการปฏิบัติธรรมจึงเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงโดยตรง แล้วก็โดยตรงเก่งๆเพราะเราก็เกี่ยวข้องกับคนอื่นอย่างน้อยก็พ่อแม่พี่น้องบุตรภันยศสามีเพื่อนร่วมกันมันก็ทํากันได้จริงอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้เราตั่งอยู่ตรงนี้เราก็นั่งอยู่ตรงนี้เราก็มีความร้อนเหมือนกันเราก็มีความเย็นเหมือนกันความหนาวหิวเหมือนกันปวดเมื่อยเหมือนกันเราไปไปช่วยใครช่วยกันช่วยกันไปยิ่งเราเน่ย ปฏเสธไม่ได้คือพ่อมีแม่ผู้ที่จะทุกข์ก่อนหม่สุข ก, ก่อนหม่ก็คือพ่อของมัเกี่ยวข้อง ก, กันกับเราใกล้ชิดเราอีกพัญญาสาเ ม, ม่ใครลงไปบุตรตีบุตรต่อใครไปยาตีเพ น, น้องเพื่อนผุงนอกเจ้นั้นคุยจายไปถึงสัตว์สารสิงโตไม้แผ่นดินหุ่นน้องหนะุ่นหนโอ้ยเยอะแยะเลยเไม่อดไม่จนในเกณฑ์การทรําความดี ลุงพ่อก็ไปทามาปล่อยปอดไปทําความดีกับสาลาอวกมันกินศาลาพ่าผาไปถ่ายเสาพระพระไรทําความดีปวาดกวาดทําความดีกับสิ่งที่มันเสียหายให้มันดีขึ้นมาก็ดีจริงๆดีจริงๆริงอย่างศาราหลังนี้แต่ก่อนก็เป็นปวกกินอยู่นู่นองบนเขาลูกเอบจะหมดแล้วก็เอ้าช่วยมันมาลงตรงนี้นก็ดีจริงๆรงสาลาหลังนี้ก็ปลอดภัยจริงๆ มันน่าขอบคนกัลยาณามิตสิ่งไหนที่หลวงพ่อคิดมันก็สําเร็จอยากได้แต่ไม่กล้าพูดอยากได้พื้นตรงไหนก็เสร็จไปจริงๆเนามันก็ดีจริงๆโอ้เนเพราะอร่อยเพราะกัญญาณมิตรมีคนทําความดีหลายคนหลายคนหลายคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพกเราเป็นคนเท่าคนแฉ่แม่ยกแม่ทิยมเด้เนาะไม่ต้องห่วงหรอกเอาไว้ทําความดี เดี๋ยวในลูกขานอนอยู่บ้านเขาสบายแล้วนะดีกว่าแม่ไปนอนอยู่บ้านให้ลูกเป็นห่วงแม่มานอนอยู่วัดพ่อมาอยู่วัดหลวงพ่อพิมพาหลวงพ่อไปศิษย์ใครก็ตามลูกโตเขานอนสบายสงาส่าไรสีพ่อเลยพ่อเขาอยู่วัดแม่เขาอยู่วัด น, นี่เป็นความดีถ้าเราไปกังวลอะไรคุกๆอยู่กับลูกกับหลานมันก็ไม่ไดีกดแล้วเป็นสิ่งที่เราทําได้นี่นะ ก็เอาเลยพวกเราเจริญสติเจริญสติตรงนี้และเป็นจุดสัตตาเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดก่อตั้งขึ้นมาก็จะกระจายไปในกลในกิจเป็นเนื้อนาบุญเกิดขึ้นเป็นลูกประธรรมทันทีขอบอกขอบใจกัลยาณมิตรเพื่อนผลพระสงฆ์อุบาสกบาศิกาหลายอย่างที่เราต้องช่วยกันต้นไม้แผ่นดินแม่น้า อ่ามันกระวีก็จะมาให่ามาใสปุ๋ยตนไม้แล้วกนะั่นเออ่าั้งไปเงินให้ท้องมาปลูกทั้งใส่อตอนไม้ทั้งให้ปุ๋ยทั้งแล้วอ้าแล้วมาดูมาแหลก็ชื่นใจชื่นใจหลวงพ่อก็แอบภูมิใจภูมิใจชื่นใจสองปีก่อนป่าหญ้าคาป่าพงปีนี้ปีที่ริ่มเลยกลายเป็นป่าไม้ สบายเลยพวกเราเราอยู่นี้ไม่ได้อยู่เพื่อหลบปลีไม่ได้อยู่เพื่อไปเอาอะไรเอาช่วยทุกอย่างือทําทุกอย่างแค่นี่พวกเราเราก็เท่านี้จะไปทําอะไรได้ก็งานการเขาพวกเราก็ยังไม่มากเยู่มาเถอะพวกเรามาช่วยกันพวกบาสกวาสิกาญาติโยมก็มาช่วยกัน มาได้ช่วยที่ไหนก็ไปช่วยที่อื่นมาช่วยที่ไหนทำความดีไปเจริญสติปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะ